สมุททยาสัตว์เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้ามองศาสจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้ามองหรือกิเลสทำให้เศร้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสทุกประศัตที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้ามองก็มีที่กิเลสทำให้เศร้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้ามองหรือกิเลสทำให้เศร้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มี สมุทยยศาสตร์เป็นกิเลสและสัมปยุทธด้วยกิเลสศาสตราสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสหรือสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสทุกข์ประสาทที่เป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีเท่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสหรือสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีศาสตราสองวิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเล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 ส mamy, o, ัจจะสองไม่ต <t> ้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสัจจะสองที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีสัจจะสองไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามสัจจะสองที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีสัจจะสองไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสัจจะสองที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มี ที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีสัจจะสองไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามสัจจะสองที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีสมุททยสัตว์มีวิตกนิโรธาสัตว์ไม่มีวิตกสัจจะสองที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีสมุททยาสัตว์มีวิจารณ์นิโรธาสัตว์ไม่มีวิจารณ์ สัจจะสองที่ม <ylon> ีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีนิโรธาสัจไม่มีปีติสัจจะสามที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีนิโรธาสัจไม่สหอรโคด้วยปีติสัจจะสามที่สหรโคด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรโคด้วยปีติก็มีนิโรธาสัจไม่สหอรโคด้วยสุขสัจจะสามที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรโคด้วยสุขก็มี นิโรธสัตว์ไม่สหอระโคด้วยอุเบกขาสัจจะสามที Galaxy ่สหอระโคด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหอระโคด้วยอุเบกขาก็มีสมุทยศาส์เป็นกามวจรสัจจะสองไม่เป็นกามวจรทุกสัตว์ที่เป็นกามวจรก็มีที่ไม่เป็นกมาวจรก็มีสัจจะสามไม่เป็นรูปาวจรทุกสัตว์ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มี สัจจะาไม่เป็นอรูปาวจรทุกขสัจที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีสัจจะสองนับหนึ่งในวัตทุกสัจจะสองไม่นับหนึ่งในวัตทุมรรคสัจเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกสัจจะสามไม่เป็นเหตุนาออกจากวัตทุมรรคสัให้ผลแน่นอนนิโรธสัจไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นสัจจะสองที่ให้ผลแน่นอนก็มี ที่ผลไม่แน่นอนก็มีสัจจะสองมีธรรมอื่นยิ่งกว่าสัจจะสองไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสมุทัยศัสตว์เป็นเหตุให้สัตรองห้สัจจะสองไม่เป็นเหตุให้สัตร้องห้าทุกข์สัตที่เป็นเหตุให้สัตร้องห้าก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตร้องห้าก็มีปัญหาปุจฉะจบสัจจะวิพังจบบริบูรณ์ จริยวิพังหนึ่งอภิธรรมภาชนีอินซียี่สิบสองคือหนึ่งจากขุนศีสองโสตินรีสาคานินศีสชิวหินศีห้ากายินรีหมณินรีเจ็ดอิถินศีแปดปุริศินรีเชีวิตินรีสิสุขหินศีสิบเอดทุกขินศี สิสมุนสินสีสิบโทมนทสินสีสิบอุเบกินสีสิบห้าสินสีสิบกวิริยินสีสิบเจสตินสีสิบสมาตินสีสิอัยินสียีสิอนัญญาตัญญสามีตินสียีสอันยินสี2ีสิสอัญญาตาวินสี บรรดาอินทรีย์ยี่สิบสองนั้นจากขุนสีเป็นไหนจักสุใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4ีและถึงนี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้าง น, นี้เรียกว่าจากขุนสีโซตินสรีคานินสรีชิวหินสรีกายินสรีเป็นไหนิกายใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูป4นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้าง น, นี้เรียกว่ากายินศรี มะนิรียเป็นชนัยมนิรีหมวดละหนึ่งได้แก่มะนิรีที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะมะนิรี์หมวดละสองได้แก่มะนิรียที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีมะนิสีหมวดละสามได้แก่มะนิสีที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤตก็มีมะนิรีหมวดละสีได้แก่มะนิรียที่เป็นกามวะจรก็มีที่เป็นรูปาวะจรก็มี ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับนึงในวัตถุกก็มีมนิีสีหมวดละห้าได้แก่มณีสีที่สัมปยุด้วยสุขินสีก็มีที่สัมปยุดด้วยทุกขินรีก็มีที่สัมปยุดด้วยสมมณสินรีก็มีที่สัมปยุดด้วยโทมมสินรีก็มีที่สัมปยุดด้วยอุเบกขินรีก็มีมนิีสีหมวดละหกได้แก่จากขขวิญ ญ, ญาณละถึงมโนวิญญาณ มณินีสีหมวดละหมีด้วยอาการอย่างนี้มณินรีสีหมวดละเจ็ดได้แก่จากผู้วิญญาณกายะ ว, วิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุมณินีสีหมวดละเจดมีด้วยอาการอย่างนี้มณีนีสีหมวดละแปดได้แก่จากผู้วิญญาณกายะวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยทุกก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ มนินรีย์หมดละแปดมีด้วยอาการอย่างนี้มนินีส์หมวดละเก้าได้แก่จากภูวิญญาณกายวิญญาณมโนาธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากรก็มีมนินีสีหมดละเก้ามีด้วยอาการอย่างนี้มนินีสีหมวดละสิบได้แก่จากภูวิญญาณกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยทุกข์ก็มี มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอันอพยากรก็มีมนินทรีหมดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้และถึงมนินทรียีหมดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่ามนินทร์สีอิถินทรีเป็นไนส้วนทรงหญิงเครื่องหมายประจำเพศหญิงยิรยาหญิงอาการหญิงสภาพหญิงภาวะหญิงของสตรี นี้เรียกว่าอิทธินีปุริสินสีเป็นไนส่วนทรงชายเครื่องหมายประจำเพศ ช, ชายคิริยาชายอาการชายสภาพชายภาวะชายของบุรุษนี้เรียกว่าปุริสินสีชีวิตินรีย์เป็นไนชีวิตินทรีย์หมวดละสองได้แก่ชีวิตินรีย์ที่เป็นรูปขั้วมีชีวิตินทรีย์ที่ไม่เป็นรูปขั้วมีในชีวิตินทรีย์ทั้งสองนั้น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 ความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงมั่นความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ชัดสาสความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่ชัดสาสสมถะสมาถินีสมาธิภละสัมมาสมา ธ, มามาธินี้เรียกว่าสมาธินีปัญญินีเป็นไนปัญญายุริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าปัญญินี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 อัญญสีอัญญาตาวินสีเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิธรรมวิจยสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคเพื่อรู้ธรรมที่รู้ทั่วแล้วเพื่อเห็นธรรมที่เห็นแล้วเพื่อบรรุธธรรมที่บรรลุแล้วเพื่อทราบธรรมที่ทราบแล้วเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ทําให้แจ้งแล้วนั้นๆ น, น, นี้เรียกว่า ัญญาตาวินสีอภิธรรมภาชนีจบ 2. ปัญหาปุชกะอินซียี่สิบสองคือหนึ่งจากคุณสีสองโสตินรีสามคานินรี 4. ชิวหินรี่กายินรี่หกมนินรียเจ็อิทินรี่ปปุริสินรียเชีวิตินรี่สิสุขหินรี่อทุกหินรี่สสสมณินสียสิบสามโทมณินสียสิบ4ี่โอเบหินรี่ส้าสัตทินรียสิวิริยินรี่สิดสตินรี่ สิสมาทินีสิบเก้ัญญีนียี่สิอนัญญาตัญญสามีนินียี่สิเอ็ัญญินียี่สิบสอัญญาตาวินรีติกะมาติกาปุชาทุกะมาติกาปุจชาบันดาอินียี่สิบสองอินีเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยากฤิเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้หนึ่งเตะกะมาติกลาวิสัชนาหนึ่งกุศลตะกะวิสัชนาอินทรีสิบเป็นอัพยากฤตโทมณสินรีย์เป็นอกุศลอนัญญาตัญยาสามีตินทรียเป็นกุศลอินทรีสี่ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤิตก็มีอินทรีหกที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤิตก็มี สเวทนาเถกะวิสัชนาอินทรียิบสกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาอินทรีย์6ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาก็มีอินทรีย์มที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มี ที่สัมปยุทธ์ด้วย ท, ทุกขมสุขโวทนาก็มีชีวิตินทสีที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุกขมสุขเวทนาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาก็มี 3. วิปากติะวิสัชนา อินทรีเจ็ดไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอินทรีสามเป็นวิบากอินทรีสองเป็นเหตุให้เกิดวิบากอันอินทรีที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีอินทรีเก้าที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีสอุปาทินนาติกะวิสัชนา อินรีเก้ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโทมานสินสีกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินรีสามกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินรีเก้าเที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีหสังกิเลตถึกกล่าววิสัชนาอินทรีเก้ากิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสทมนะสินสี่กิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลส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 วิตตะกะเดตะวิสัชนาอินทรีเก้าไม่มีทั้งวิตกและวิจารณโทมนสินสีมีทั้งวิตกและวิจารณ์อุเบกขินสี่ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีอินทรีสิบเอ็ดที่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีเจ็ดพิติเดตะวิสัชนา อินรียสิบเอดกล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสหรคตด้วยอุเบกขาสมณสินสี่ที่สหรคตด้วยปีติแต่ไม่สหรคตด้วยสุขและไม่สหรคปด้วยอุเบกขาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติก็มีอินรียหกที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มี อินรี่สี่ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบขาก็มีเที่กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสหรฆดด้วยอุเบขาก็มี 8. ทัศนาตึ ก, กะวิสัชนาอินรียสิบห้าไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามโทมนัสินสี่ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมั ค, ม ค, ก, มคก็มี ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีอินทรียหกที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์ก็มีที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์และมรรคเบื้องบนสามก็มีเกทัศนะเหตุตึกกะวิสัชนาอินทรีสิบห้าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์และมรรคเบื้องบนสามธโมนสินจีที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์ก็มี ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีอินทรียหกที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรและมรรคเบื้องบนสามก็มี10อาจิยะคามิเตกกะวิสัชนาอินทรีสิทธิไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโทมนะสินสีเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ อนัญญาตัญญาสมาติน4สีเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอันยิน4ีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มียินสีเก้าที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีสิบเอ็ดเสกตติกวิสัชนา อินรีสิบไม่เป็นของเสีขาบุคคลและเสขาบุคคลอินรีสองเป็นของเสขาบุคคลอัญญาตาวินสีเป็นของอเสขาบุคคลอินรีเก้าที่เป็นของเสขาบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขาบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและเสขะาบุคคลก็มีสิบสองปริตฐาติกะวิสัชนาอินรีสิบเป็นปริตฐ อินทรีสามเป็นอปปมานะอินทรีเก้าที่เป็นปริตะก็มีที่เป็นมหักตะก็มีที่เป็นอปปมานะก็มี 13. ปริตารมณะติภะวิจัชนาอินทรีเจ็ดรับรู้อารมณ์ un, ไม่ได้อินทรีสองมีปริตะเป็นอารมณ์อินทรีสามมีอปปมานะเป็นอารมณ์ธมนะสินสีที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็ ม, กมีที่มีมหักตะเป็นอารมณ์ แต่ไม่มีอปมาณะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์หรือมีมหาคตะเป็นอารมณ์ก็มีหินรี่ก้าวที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหาคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอปมาณะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์มีมหาคตะเป็นอารมณ์หรือมีอปมาณะเป็นอารมณ์ก็มีสิบสี่หินนาเตกะวิสัชนา อินทรีเก้าเป็นชั้นกลางโทมนานินสีเป็นชั้นต่ำอินทรีสามเป็นชั้นปราณีอินทรีสามที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นปราณีก็มีอินทรีหกที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นปราณีก็มีสิบห้ามิจฉาตตะกาวิสัชนาอินทรีสิบไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอานันญยญานยญญ า, ามีอินสรี มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอินรีย์4 like ที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีโทมนัสิน4ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีอินรี์6ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มี มรคารมณเถกกะวิสัชนาอินทรีย์เจ็ดรับรู้อารมณ์ไม่ได้อินทรีย์สี่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิปดีอนัญญากัญญสามีอินทรีย์ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิปดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิปดีก็มี อันยินสีไม่ใช่ม wow, ีมรรคเป็นอารมณ์ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีท um, hmm, ี่มีมรรคเป็นอธิปดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิปดีก็มีอินสีเก้าที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิปดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิปดีก็มีสิบเจ็ด ปันนาถิกาวิสัชนาอินทรีสิบที่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่ายังไม่เกิดขึ้นอินทรีสองที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนอินทรีสิบที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีปอติตะถิกาวิสัชนา อินทรีย์่สิบสองที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีสิบเก้าอตตารมณะถึกะวิสัชนาอินทรีย์เจ็ดรับรู้อารมณ์ไม่ได้อินทรีย์สองมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อินทรีย์สามกล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อินทรีย์สิบ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 มาตุกาวิสัชนาหนึ่งเหตุโคจกะวิสัชนาอินรีสี่เป็นเหตุอินรีสิบแปดไม่เป็นเหตุอินรีเจ็มีเหตุอินรีเก้าไม่มีเหตุอินรียหกที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีอินรีเจ็สัมปยุทธยเหตุอินรีเก้าวิปยุทธจากเหตุอินรียหกที่สัมปยุทธยเหตุก็มีที่วิปยุทธจากเหตุก็มี อินซีสี่เป็นเหตุและมีเหตุอินซีเก้ากล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอินซีสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอินซีหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีเหตุแต่ไม่เป็นเหตก็มีอินรีสี่เป็นเหตและสัมพยุตด้วยเหต อินทรีเกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมพยุตด้วยเหตุหรือสัมพยุดด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอินทรีสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมพยุดด้วยเหตุหรือสัมพยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอินทรีหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมพยุตด้วยเหตุที่สัมพยุดด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมพยุดด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มี อินซีเก้าไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอินรีสามไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอินรีสี่กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอินรียหกที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็ม <ningar> ีสองจุ <ce lebr ance> ลันตระทุกกะวิสัชนาอินรียี่สิบสองมีปัจจัยปรุงแต่งอินรียี่สบสองถูกปัจจัยปรุงแต่ง อินทรีย์ิบสองเห็นไม่ได้อินทรีย์ห้ากระทบได้อินทรีย์สิบเจ็ดกระทบไม่ได้อินทรีย์เจ็ดเป็นรูปอินทรีย์สิบสี่ไม่เป็นรูปชีวิตอินทรีย์ที่เป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มีอินทรีย์สิบเป็นโลคิยะอินทรีย์สามเป็นโลกุตระอินทรีย์เก้าที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีอินทรีย์ยี่สิสองจิตบางดวงรู้ได้ อินทรีย์ยีสองจิตบางดวงรู้ไม่ได้สอารวะโคจรกวิสัชนาอินทรีย์ยี่สองไม่เป็นอารวะอินทรีย์สิบเป็นอารมณ์ของอารวะอินทรีย์สามไม่เป็นอารมณ์ของอารวะอินทรีย์เก้าที่เป็นอารมณ์ของอารวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอารวะก็มีอินทรีย์สิบห้าวิปยุทธจากอารวะโทมนะ ส, สิน 4, สี่ัมปยุทธด้วยอารวะ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 ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีอินรีสิบห้ากล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะหรือสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโทมนะสินรีย์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะหรือสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอินรียหกกล่าวไม่ได้ว่า เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีอินรีเก้าวิปยุทธจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอินรีย์มวิปยุทธจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโทมานานสีกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุทธจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอินรีสามที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีอินรีหที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะ หรือวิปยุตจากอาสะวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะก็มี 4. สัญญชนะโคจกกะวิสัชนาอินรีย์22ไม่เป็นสังโยตอินรีสิเป็นอารมณ์ของสังโยต อินรีสามไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์อินรีย์9ที่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีอินรีสิบหวิปยุจจากสังโยชน์ธโมนะสินสีสัมปยุจด้วยสังโยชน์อินรีหกที่สัมปยุจด้วยสังโยชกก็มีที่วิปยุจจากสังโยกก็มีอินรียสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์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 หรือสัมปะคุณด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์โทมานสินสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปะคุณด้วยสังโยชน์หรือสัมปะคุณด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์อินทรี่หกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยคุณด้วยสังโยชน์ที่สัมปะคุณด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปะคุณด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มี อินทรีย์9วิปยุจากสังโยชตแต่เป็นอารมณ์ของสังโยชตอินรีสามวิปยุจากสังโยชตและไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชตโทมานสินสีกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชตหรือวิปยุจากสังโยชตและไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชตอินรีย์มที่วิปยุจากสังโยชตแต่เป็นอารมณ์ของสังโยตก็มีที่วิปยุจากสังโยชตและไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชตก็มี อินรีหที่วิปยุจจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ 0, skills, ของสังโยน์ก็มีที่วิปยุจจากสังโยต์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยต์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยต์หรือวิปยุจจากสังโยต์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยต์ก็มี 5. ้คันธะโคจรกวิสัชนาอินรียี่สิบสองไม่เป็นคันธะอินรีสิบเป็นอารมณ์ของคันธะ อินรีสามไม่เป็นอารมณ์ของคันถะอินรีเก้าที่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีอินรีสิบห้าวิปยุจจากคันถะโทมนะสินรีสัมปยุจด้วยคันถะอินรียหกที่สัมปยุจด้วยคันทะก็มีที่วิปยุจจากคันถะก็มีอินรียสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันถะและเป็นอารมณ์ของคันถะหรือเป็นอารมณ์ของคันถะแต่ไม่เป็นคันถะ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 หรือสัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะโทมนะสินสีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะหรือสัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะอินรีหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มี อินรีเก้าวิปยุจจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะอินรีสามวิปยุจจากคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะโทมานสินรีกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะหรือวิปยุจจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะอินรีสามที่วิปยุจจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีที่วิปยุจจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มี อินรีหกที่วิปยุจจากคันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีที่วิปยุจจากคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากคันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะหรือวิปยุจจากคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มี ถึง8โอคะโคจกาธิวิจัชนาอินรียี่สิบสองไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวอนอินรีสิบเป็นอารมณ์ของนิวอนอินรีสามไม่เป็นอารมณ์ของนิวอนอินรีเก้าที่เป็นอารมณ์ของนิวอนก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวอนก็มีอินรีสิบห้าวิปยุจจากนิวอนโทมณนสิน 4, สี่ัมปยุจ ด, ด้วยนิวอน อินสียหที่สัมปยุทธิ์นิวรณ์ก็มีที่วิปยุตธ์จากนิวรณ์ก็มีอินรียสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณและเป็นอารมณ์ของนิวรณหรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์อินรี่สามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณและเป็นอารมณ์ของนิวรณหรือเป็นอารมณ์ของนิวร์แต่ไม่เป็นนิวรอินรีย์ก้ากล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณและเป็นอารมณ์ของนิวรณ์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 เป็นนิวรและสัมปะยุทธ์ด้วยนิวร์ที่สัมปะยุ AN, นนทธ์ด้วยนิวร์แต่ไม่เป็นนิวร์ก็มี 9, ม 3, มม ท, มที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปะยุทธ์ด้วยนิวร์แต่ไม่เป็นนิวรก็มีอินรียเ้าวิปะยุทธ์จากนิวร์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรอินรี่สวิปะยุทธ์จากนิวร์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวร์โทมนสินสีกล่าวไม่ได้ว่าวิปะยุทธ์จากนิวร์แต่เป็นอารมณ์ของนิวร์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 หรือวิปยุจจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี 9. ประมาณสะโค จ, ะจกะวิสัชนาอินทรีย์22ไม่เป็นปรามาตอินทรีย10เป็นอารมณ์ของปรามาตอินทรีย์3ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตอินทรีย์9ที่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีอินทรีย16วิปยุจจากปรามาตอินทรีย์6 ที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตรก็มีที่วิปยุทธ์จากปรามาตรก็มีอินทรี่สิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาตรและเป็นอารมณ์ของปรามาตรหรือเป็นอารมณ์ของปรามาตรแต่ไม่เป็นปรามาตรอินรียสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาตรและเป็นอารมณ์ของปรามาตรหรือเป็นอารมณ์ของปรามาตรแต่ไม่เป็นปรามาตรอินทรี่เก้ากล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาตรและเป็นอารมณ์ของปรามาตร ที่เป็นอารมณ์ของปรามาแต่ไม่เป็นปรามาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของปรามาแต่ไม่เป็นปรามาก็มีอินสีสิบวิปยุจจากปรามาแต่เป็นอารมณ์ของปรามาอินสีสามวิปยุจจากปรามาและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาอินสีสามที่วิปยุจจากปารมาแต่เป็นอารมณ์ของปารมาก็มีที่วิปยุจจากปามาและไม่เป็นอารมณ์ของปามาก็มีอินรีห ที่วิปยุจจากปรามาต์แต่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มี ible. ที่วิปยุจจากปรามาต์ ible. และไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากปรามาต์แต่เป็นอารมณ์ของปรามาต์หรือวิปยุจจากปรามาต์และไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มี